แนะนำบทอัลมุตัฟฟิฟีนบทอัลมุตัฟฟิฟีนเป็นบทมักกียะห์มี 36 องค์การบทนี้ได้เริ่มด้วยการประกาศสงครามกับบรรดาผู้ทําให้การตวงและการชั่งพร่องซึ่งพวกเขาไม่กลัววันอาคิเราะห์และไม่ได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับสภาพอันน่ากลัวต่อหน้าพระผู้ทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมที่สุดต่อมาบทได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่ว ละได้วาดภาพการตอบแทนของพวกเขาในวันอาคิเราะห์โดยจะถูกลากไปยังนรกพร้อมกับการขู่ตะคอกต่อมาบทได้กล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ยังเกรงผู้ทรงคุณธรรมและสิ่งที่พวกเขาได้รับจากความสุขความปลอดปรานอย่างถาวรตลอดไปในที่พำนักอันมีเกียรติและเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตาทั้งนี้ในสภาพที่ตรงกันข้ามกับสภาพที่อัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้สําหรับคนชั่วเลวซา ตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการรวมไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทำความดีและการขู่สัมทับไม่ให้กระทำความชั่วบทนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวทรามที่มีต่อตปวงบ่าวของอัลเลาะห์ที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้เยาะเย้ยพวกบ่าวที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขาและความดีของพวกเขา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวายุลุลลิมุตอฟฟิฟีนัลละซีนาอิซักตาลูอะลันนาสยัสตอฟฟูนความหยานะจงประสบแด่บรรดาผู้ทําให้พร่องในการตวงและชั่งคือบรรดาผู้ที่เมื่อ พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งให้คนอื่นก็ทําให้ขาดอะลายะฎุนนูอูลายกะอันนะฮุมมะบะอูซูนลิยอุมินอะฎีมชนเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นคืนชีพ สำหรับวันอันยิ่งใหญ่ เยومะยะกูลุนนัส ลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าพระผู้อธิบานแห่งสากลโลกกัลลออินนากิตาบัลฟุจญาริฟิซิจญีนวะมาอะดรกะมาซิจญีนมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของคนชั่วนั้นอยู่ในซิจญีน และอันใดเล่าทําให้เจ้ารู้ได้ว่าศิษย์ยินนั้นคืออะไรกีตาบุมรคุมคือบันทึกที่ถูกจารึกไว้วัยลุยยอมอิดลิลมุกัซซิบีนอัลลดีนยุกัซซิบูนบิยามิดดีนความหยานะในวันนั้นจงประสบแด่บรรดาผู้ปฏิเสธ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 เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณคัลลาบัลราละอะลากุลูบิฮิมมากานูยักซิบูนมิใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายวันนั้นได้เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขาคัลลาอินนะฮุมอะลร็อบบิฮิมยะอ์มะอิดิลละมะฮ์จูบูนมิใช่เช่นนั้น ถ้าจริงพวกเขาในวันนั้นจะถูกกั้นจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาซุมมาอินนะฮุมละซอลุลจะฮีมแล้วถ้าจริงพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกซุมมายูกาลฮาซาอัลลซีคุนตุบีฮิตุกัซซิบูนแล้วจะมีเสียงกล่าวขึ้นว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมันคัลลาอิน كتاب الابراء لفي علين وما ادرا كما عليون كتاب مقوم مشايش นั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลลียีนอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทําให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลียีนคืออะไรคือบันทึก บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมะลาอิกะฮ์จะเป็นผู้ดูแลรักษาอินนัลอัซรารลีฟีนัยมินอะลัลอะราอิกยันซุรแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอนพวกเขาจะมองดูจากบนเตียงจะอาริฟูฟีวุจูฮิฮิมนัฎเราะตันนัยมเจ้าจะได้รู้ถึงความสดชื่น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 จงแข่งขันกันเถิดวะมีซาจูฮุมมินตัสนีมมินอัยนียัชรบุบิฮัลมุก็อรอบูนที่ชายผสมสุรานั้นมาจากตัสนีมคือตาน้ําแห่งหนึ่งซึ่งบรรดาผู้ใกล้ชิดอัลเลาะห์เท่านั้นที่จะได้ดื่มมันอินนัลละซีนาอัจรอมูกานูมินัลละซีนาอามานูยัฎฮะกูนวะอิซามัรรูบิฮิมยะตากามะซูน ถ้าจริงบรรดาผู้กระทำความผิดนั้นเคยหัวเราะเยาะบรรดาผู้ศรัทธาและเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาไปพวกเขาจะหรี่ตาเยอะอย่างวะอิซัลกัลบุอิลออะห์ลิฮุมกัลบุฟะกิฮินและเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องพวกเขาก็จะกลับไปอย่างคึกคโนวะอิซาราอูฮุมกาลู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 ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะพวกปฏิเสธศรัทธาบ้างอะลัลอะรออิกยันดูรพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตียงฮัลซูวิบัลกุฟฟารมากานูยัฟอดูนบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมามิใช่